ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบ ก, กัมมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่าเมืเมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสุวรรณสามอยู่เล่าหาเหตุต้นเหตุของสุวรรณสามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คน แต่บางเอื่นมือไม่ดีเอาเรื่องส่วรรณสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบความมนได้เป็นมหาชนกตอนเล่ามาเด่นดูต้งสือเปลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขอภยัยแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไง เขาเลาเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่ตมาคิดว่าหูหนักแกหนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบสอบพอฟังฟังคำยุยงแต่แข็งแสแกเก็บเอาไว้า ม, ามากหัวมันก็หนัก ถ้าหูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับคําประจบซอฟอไม่รับการสั่เสริญเยิน ย, นยออย่างนี้เรียกวหูเบาอย่างหูพระอราหารันต์เช่นเดียวกับหูของพระอราหันต์หรือ ว, ว่าหูของพระพุทธโลกย่งนี้หูท่านเบาไ ม, มไม่มีขี่หูคือว่ามีของเหลวในหูามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืด คนพูดมากจะมันลำบากเพราะนั้นว่าท่านกล่าวตอไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมอีอย่างนี้ตลอดกาลคือผู้ที่ทรงอานาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันรือหมายความถ้ามีอานาจวาสนามาขึ้นมาก็มีคนยกหยอกปอปัน้น ยกแบบนั้นยออแบบนี้ยกบ่อยๆย่ยอบ่อยๆใจมันก็อดไม่ได้นันกเข้า้วเข้าก็ต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านถกล่าวว่าถ้าใครได้เคยอ่านสมมติเอานะว่าใครเคยเคยอ่านฟงสัมดานจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติสายของท่าชาติไทยก็ดี เจริญว่าคนหูเบาเนี่ยมักจะทำให้บ้านเมืองพินาศชิบหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหัวเบาหรือเมาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายังไม่มี แต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีสาธะเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่เพราะคณหูเมาเพราะเพราะมัวเมาในอำนาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปพี่สุดท้เราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของคนของประเทศเรา ต้องตกงานตกกายเข้าปา่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนคนนับเปน็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณนะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบวิบ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้าองประสบกับความย่อยยับอย่างในสมัยกรงสียุธยาเป็นตน้น ที่บ้า น, นเมืองของเราต้องพ่ายพังแพรพังไปทั้งสองข้างสองฝน่งก็อพรคนหูเบาเป็นสำคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินนีนั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะพวกคนบางคนที่มีหูหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจท่านลงตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดี แต่เมื่อแท้จริงๆเราออกผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราชอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์อำนาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบ ก, กันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายกันไปหมดบ้านเมืองพินาศย่อยยับ เงินทองในท้อมประคังก็พินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวก็หาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขออภัยคนประเภทนี้คงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ และนฐานิานาเดียตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร ม, มครูก็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชสัตว์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาไทายทำอะไรไว้ ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศ จ, จงละเว้นการกระทำอย่างนั้นเสียจงคิดว่าํำนาจราชศักยศมีได้แต่การเส่อมยศย่อมมีถ้าหา ว, ว่าการครองราชบนสมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศข่อถ้าเรา จ, จะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉดมันจะเสียใจไปหลัง เล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอรชนกผู้เป็นน้องก็ถูกคนไปจบซอบพอกล่าวหากล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบถหรือก็ไปฟ้องเข้าไเจ้ากรมทิลาว่าถ้าเจ้าน้องยาเธอจะทำการขบถ คิดคดแต่ผู้พี่ชายเพราะเจ้าอุปราชทรงอํานาจในทางบ้านเมืองมากข้อไดถ้ามีคำว่าพระราชานี่ถ้ามีมหาอุปราชมหาอุปราชนี่ก็มีตําแหน่งคล้ายๆกับเป็นเลขารองลงมาทึกอย่างเลยน้อยแล้วก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอํานาจคล้ายๆกับประหลัดกระทรวง ประหลกระทรวงและคุมงานประจำมาทั้งหมดรัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาปราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงมีจึงถูกยุยงแต่แข่งแสพี่ชายคิดว่าน้องชายจะกระหมดจะกระบดท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อ ต่อมาขรั้งที่สองคั้งที่สามไอ้ปอลลมที่มาพัดบรรยากาศที่วันร้ายแรงมีความสําคัญน้อยไม่สามารถไม่สามารถจะทําใจของคนให้ลองลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สําคัญมากเพราะว่าถูกกรคขูเขา้าบ่อยๆใจของคนที่มีกิเลสก็หลังเลยเพราะเคยหลายหลายวาระเข้าก็เกิดความเชื่อ เชื่อเขาจนแล้วเชื่อซื้อจนลืมว่าผู้ผู้ที่กระโถกราหาว่าจะเป็นขบวนน้เป็นน้องของพระองค์ที่คลานตามกันมาแ ท, ะทะ้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สุรเจดิกับกันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าเป็นโดนไอเจ้าน้องสารพัดพลิกเข้าแล้วก็แย่เหมือนกัน ดีไม่ดีพไพ่มันก็ค่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหินแปดซอกตอกเป็นหลักไปมาพักบ่อยๆเข้าเสายังไหวเมอความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับ สั่งให้จับมหาปร a ร a ให้คุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดไม่ได้ีนพระราชาและผู้มีอำนาจหูหนักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตียนรับคำยุย ง, งส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดผิดไปคำเออ ขอภัยนะเท่าศัพท์นี้ไปชนกับใครขอภัยด้วยไม่มีเจตนาเพื่อใช้ใครการใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษธรรมชาติใช้สูตรเสมอเสมอเพราะพิษเจริญเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิษราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบซอพอแบบนี้เขต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่าง แม้แต่คนดีก็หาทางราดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามถ้าไม่ล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไลประเภทนี้แต่ใครล้มอะไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไรสติไรปัญญาไรการพิจารณาซึ่งตรงเันข้ามกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องกัรว่านิสสัมกฆกะนังสยโยคข่ควรเสียก่อนแล้วยังทำดีกว่านี่พระราชาผู้เมียม่ายขาดการใข้ควรอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอเท่าสรารพัดผิดทัางทั้งที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่งางแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ ก็เกิดจหลหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีไปจึงตั้งสตยาที่ฐานว่าเดชะพระเสือเมืองพระทรงเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวขา้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดโคตรทยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุมขังทำโทษถึงหาความผิดมีได้ ถ้าใจเข้าไปเจ้าซือสัตว์ต่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซตรวนนี้จงหลุดออกจากตนต้อยยันนะแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกให้พระจากเถศนี่เป็นคำอธิษฐานความจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันก็จะหาว่าเพอเกินไป แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสารสนดาทรงตัดก็คงจะจริงความจริงคมดีฐานนี้มีผลสําหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีทางเป็นนั้นว่าท่านโพระช น, นกท่านเป็นคนดีสมรมเถาประหาชเนี่นะท่านเป็นคนดีานนนดอาศัยพระเสื้อเมืองพระอทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระอขังเกงเมือง ก็เป็นอันว่าเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชเริ่มนาดวาจาคือได้นด่า ย, ยความเสื่อสัต์สุตริตสุจริ ต, ร ต, รตรความเป็นคนดีเพรอสิ้นธรรม ด, ดีฐานเท่านั้นเริมน่ายความสุจริตของท่านพระมหาอกราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบอพระวรกายของพระองค์ ประตูเรือนจำก็เปิดแบบอศัศจรรย์บันทัศนมหาวัลลาก็เลยหนีเอกไปได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนดูไม่ได้แล้วสิพื <c oughs> ้นอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีเอาไปาก็ตามข่าต่อมาบรรดาพวกคนลเมืองได้ทราบข่าวว่าพระประหลัดหนีออกมาจากคุกได้แล้ว แล้วเ ข, เขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครบแต่คนประจบสอบรอไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งแทงเข้าถึง บรรดาวิชาชนมีความรักมีความเคารพเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีต่อคนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระคลังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จกัดสรรเงินเอาไปล้างผลาญกิงกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ไอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกว่าเขาขาดทุนเจเอาเงินไปเกลือกคุณจะแบ่งเข้ากระเป๋าสะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมันดาประชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบซอพอแม้แต่น้องในไส้เช่นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสีย แล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดฆ่าได้แลคนอย่างเราท่านอาจจะฆ่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเพราะศัยความรักในพระมหาอุปราชมาก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมที่นี้พาการไปเข้าไปเฝ้าและไปสมัครสมัครเป็นพักเป็นพวกพระเจ้าอุปราชเป็นมากอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อพระมาหาอุปราดได้ไพร่คลมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วค่ตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามเช่แล้วในตอนก่อนส่งคนติดตามแล้วท่านห น, นีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมาหาอุปราดมีคนมากจัดเป็นกําลังกองทัพได้เต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตาม เพราะว่ากลัวจะเกิดศึกสงครามขึ้นกลางเมืองโดยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปรายก็จะต้องสู้ก็เลยทําใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไ ม, ลไม่ใจดีเพราะเบียาและไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสําหรับพระมหาอุปราช มารวบรวมไถ่ผลไม่พอสองคนแล้วก็คิดว่าในสมัยครั้งก่อนเราเสื้อสอาสุจริต ก, กพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าดเราเป็นขบฏจับมาคุมขังจะต้องทาจนถึงต้องทำสติญาดิฐานยิงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายสิบ้าง ความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและโค่นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียนบรรดาประชาชางหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้ มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงโน้นงินในท้องเมืองดินดีก็เอามาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาสียก่อนรัศดรไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชาอนหลายพวก้องของเขาดีอกดีใจขันร่ำรวยกันมากแต่ได้ว่าประชาชนาทั้งหลายหน้าเศร้าไปตามๆกัน นี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาหลพ่อมหาปราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังวเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุคเห็นเพราะคนจังไรมันคมเหง่น้ำใจสิง่งกันแลยกันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทางนั้น แม้แต่บ้านเดินของใครสถานที่ใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสรรักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด้วยนาน า, นาเหตุน า, น, านาประการเป็นอันว่าเมื่อประหาุประาชทราบเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตานใจ สงสารบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอ้หนอพี่ชายของเรานี่เป็นพันธ์จริงๆบรรดารานฎรชายและหญิงได้รับความทุกข์แบบนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจว่าถ้าใครก็ดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบถเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่ ยิงได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครองเอาพระราชานนี้เป็นได้สักแปดเดือนแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวในหูแวววๆเบาๆที่แรกก็หูเบาหนะักข้านันก็หูหนักก็รับคำพ่อหยอยุโยงส่งเสริม ไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมไพรพ ล, ลพระมหาอุปราชนะมีสะเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายัางเมืองมิถิลามหาคนครบรรดาหัวเมืองรายทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุปราชขึ้นเข้ามาก็ไม่มีใครสู้ จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาโคบ่าหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพมห์พราศีแทนที่จะสู้นายกกกำลังพลมีเท่าไรร่วมโดยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปได้กันหมดอาวุธยุทธ์ทอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีก็เอา จอบบ้างเสียมบ้างซากบ้างกระบองบ้างถือไว้เป็นแถวกลายเป็นทัพมาวมาก็มีทั้งคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโพลชนกก็เลยได้คนมากขึ้นเอาแหมนี่ต้องสื่อเขียนยังไงเนาะเป็นอันวา่าพระมาหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้น ครับก็ยกมาได้โดยโรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญละครจึงมีสารส่งเข้าไปทารบนี่ที่ตอนทารบนี่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อายแลบเจ้ายีเนะ่ยที่พระราชาวีดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดย่างรา้จะสมบัติ นยายจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าอ้ายเจ้ายีนะมีพระเจ้าสามพระยาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพระญาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงจึงสรงส่ายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ ทั้งก่อนหม่อมฉันเคยไม่เคยคิดโระทุษร้ายแต่พระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจําทําโทษทั้งๆที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจารณาเสียก่อนเชื่อแต่คาคนคนประจบซอฟรอนี่เป็นแบบนี้นะ่ายคนเชื่อคนประจบซอฟรอเนี่ยสัญญาไม่เป็นสัญญา สัญญากันว่าอย่างไงไม่เป็นสัญญาตามเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันแทนที่จะรักกันก็ไปเชื่อคนอื่นยกยอป้อปั่นเว่า ก, กอดคอกันมายัางไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไม่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะวโอ้โลกเวลานี้พิจารณาก็ไม่ไหวให้คนประเภทโลก โ, โ, โูเบาก็ดีโลบโมโทสันประจบสอพรก็ดีคนประเภท น, นี้ทำให้คนดีบนไลัยมาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนะี่ยโปรดพยาลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อ น, นั้น ว่าคนพลเมืองทัานหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใิดตุกตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาและจะทำได้ทุกอย่างนั้นบนไลัยมาหลายลายแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าทางบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอแปรบัตรนี้หม่อมฉัน จะต้องคิดตัวทุจรายเจวต่อเจ้าพี่บังละคำตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสุจริตมีความกระตันอยู่รู้คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันที่สมบต์ตอนนี้ก็ต้องขอเป็นขบถแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม ก็ขอให้ไปยเจพี่มอบพระราชสมบัติให้กำมมฉันเสียแต่โดดีถ้าไม่ให้ก็จงเรี่ยงเตรียมตัวออกมาชนช่างกำมำฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าไอา้เจ้ายี่พอดีฮนะสู้กันตัวต่วตัวเรื่องถ้าหาันยาไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่ เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบกันตัวต่ตัวดีกว่าไหมเต็งจริงๆแม้นี่เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกัาต่อไปนะแล้วเวลาอีกสองนาทีเอา้าสนาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าอริทธาจันกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจนนะดสิพระเจ้าพี่น่ ยังคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบ ก, ก็เขาจะมอบให้มือก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสู้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจจะต้องสู้ถือว่าเป็นขัติยามนะกษัตริย์ต้องมีมานะในฐานะกษัตริย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไปหลายปียถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่ เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขนาดเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกพระมเหสีมาเวลานางตาพระมเหสีกาลงงังทรงเดชะอยู่พระเจ้าริทาราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิง ขึ่งเชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรดกันย่อมเปียกกรอนไปด้วยกันอย่งสองฝ่ายจะชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั่นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลถังแม้พยายังไม่ตาย พี่จะต้องยกพลออกไปสู้กับเจ้าโปราชนกโปเป็นน้องหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไวให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไวให้มากมาสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกพลออกไปเพื่อจะไปสู้กับน้องชายแต่ถ้าวัย ก, การจะไปนี่มันกลายเป็นลางสังหอน แสดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินนวรวันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลา ก, ก่อนขอความศกสวัสิิพัะนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี